ขนาดวาโยธาธภายนอกเนี่ยนะมันจะวันวักะะมันจะพัดมันจะวันไว้อย่างนั้นนะมันก็ยังสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปใช่ไหมแล้ววาโยธาธภายในที่ตัณหามันยึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเนี่ยนะมีตลอดการประมาณเท่านี้เนะี่ยก็เป็นของที่สิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทาไมวาโยธาธในภายในจะไม่แปรปรวนไปแล้วเนี่ยนะ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 ย่อมหลุดพ้นเนี่ยนะหลุดพ้นไปด้วยดีก็ด้วยหนาะอนุภาพของอนุปัสนาทั้งหลายทีนี้หากชนเราอื่นจะพยายามทําร้ายพิสูจนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือด้วยประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสาสตราพิสูจนนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี่แหละเป็นสภาพที่เป็นเป็นที่ตั้งแห่งการประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสาสตรา อันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤต่ำช้าพึงตัดอวัยวะน้อยอันนะอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยนะด้วยเื่อยมีด้ามสองข้างผู้ภิกษุรูปใดที่ยังใจให้โกรธในโจรพวกนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าไม่ทาตามคาสอนของเราเพราะเหตุที่โกรธต่อโจร น, นั้น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 คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้เราจะทําให้จงได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศายัยกุศลธรรมตั้งอยู่ไม่ได้เจริญยังไงคิดยังไงก็ลแล้วเน่บางทีเนี่ยเวลากุศลมันไม่เจริญมันก็เอาเรื่องกันนะมันพยศขึ้นมาใช่ไหมแบบมันอุยไม่เจริญเลย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 รูปขันเนี่ยนะแล้วจาแนกรูปขันโดยอนุปัสนา7โดยเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยโดยนัยะต่างๆทีนี้อ่านะสัจจะที่เหลือล่ะทุกขสัจคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันยกมาแสดงเนี่ยนะเพื่อให้เห็นขันห้าขันห้าในทวารหกเนี่ยนะการพูดขันห้าไม่ได้พูดไปเรื่อยแต่เป็นการแสดงขันห้าใน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 เรีว่สาสงเคราะห์ขันหในทวารหให้ฟังหน้าหน้า525ข้อ346ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอากาศอาศัยไม้และเถาวัลย์ดินเหนียวและหญ้าเวทล้อมแล้วย่อมนับว่าเรือนฉันใด น, นะก็อิฐหินปูนทรายเหล็กมาวางแล้วก็ฉาบด้วยอิฐหินปูนทรายวางเรียงเอากระจกมาติด น, นะยกเป็นชั้นๆเขาเรียกว่า เรีกว่าเติบเรียกว่าอะไรเป็นต้นนั่นมีอะไรนอกจากอิฐหินปูนทรายเหล็กมีอะไรเกินกันนั้นบ้างไหมอิฐหินปูนทรายเหล็กไม้บ้างนนะก้อนดินท่อนไม้เรียงเรียงกันปั๊บมันก็เรียกว่าก้อนตึกชั้นใดชั้นใดก็ดีเนี่ยนะผู้มีอายุทั้งหลายอากาศอาศัยกระดูกอาศัยเอน็นอาศัยเนื้อแล้วก็หุ้มด้วยหนังสดก็นับว่ารูปชั้นนั้นเหมือนกันแลร่างกายของเราทุกคนเนี่ยแปลว่าเหมือนอะไรก็เหมือนกับเรือนเรือนว่างเรือนร้างเรือนเปล่าเนี่ยนะ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 สัญญาขันจิตเห็นเป็นวิญญาณขันอาตัวนี้แหละเรียกว่าชาติชรา ม, มรณะ โ, โศกปริเทวะทุกขโทมานต์และอุปาญาตพลาพลาดจากของรักประสบ ก, กับสิ่งไม่เป็นที่รักปรารถนาแล้วผิดหวังอ น, นี้แหละคือตัวตั ว, ตวทุกเนี่ยนะก็คือขันห้าตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกสูจนรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชมเพราะหมวดหมู่แห่งอุปาทานขันห้ามีด้วยประการ นีเนี่ยสิ่งเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหมดเนี่ยนะทุกครั้งที่ลืมตาเนี่ยทุกอย่างที่ที่ที่เกิดขึ้นในขณะที่ลืมตาทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหมดเนี่ยนะไอข้ขันขันทั้งหประการเหล่านี้แหละเรียกว่าอุปาทานขันห้าอันนี้ทั้งหมดเป็นทุกขสัจจ์ความพอใจอาลัยยินดีหมกมุ่นเพลิดเพ ล, นเพลินอยู่ในองค์ประชุมคือขันห้า น, นั้นเป็น สมุทัยศาสตร์ความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งมวลเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในทวารตานั่นแหละเป็นสมุทัยศาสตร์การกำจัดกำจัดตัวนั้นเป็นชื่อของนิพพานเนี่ยนะกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในขันหอานั้นเป็นนิโรสัจจะเพราะนิโรสั จ, จจะเป็นที่กำจัดตัณหาในขันหานิโรสัจจะเป็นที่ละตัณหาในขันห้า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 สมุทัยสัตว์จะการกําจัดชั้นราคาในขันห้าเหล่านี้แหละการละฉั้นราคาในขันห้าทั้งมวลเหล่านี้แหละเป็นเนโรสัตว์จะข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้ทุกขดังที่กล่าวไปแล้วคือขันห้าละชันทราคาในขันห้าทําพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นเป็นมัคสัตว์จะปั้นก็แสดงขันห้าทุกขาริยสัตว์คือขันห้าในทวารหูอันนทุกขาริยสัตว์คือขันห้าในทวารหู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 พระพุทธขันห้าเหล่านี้นี่แหละเป็นอุปาทานนะขันความฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นสมุทยสัจจะการกําจัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้เป็นเนโรสัจจะข้อปฏิบัติเพื่อกําหนดรู้ทุกข์ดังกล่าวไปแล้วละฉันทราคาทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นมัคสัจจะแสดงทุกขอริยสัจโดยขันห้าในทวาร จมูกก็ประกาศอริยาสัจสีในทวารจมูกทวารลิ้นก็ประกาศอริยาสัจสีในทวารลิ้นประกาศอริยาสัจสีในทวารกายนี่มาขึ้นทวารใจอาศัยมโนคือใจเนี่ยนะกับธรรมรมณ์มโนก็เน้นผวังหรือเอาเน้นภวังที่สามารถเป็นปัจจัยแก่อวชนะเพราะมีผวังมีธรรมรมอารมณ์ทั้งหลายก็มนัิการเกิดขึ้นก็เกิดชาวนะคือความคิดขึ้นเนี่ยนะ ชาวนะเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะวัวตถุของใจเนี่ยนะแล้วก็วัตถุที่ตั้งแห่งจิตนั่นแหละคือรูปขันธ์ น, นะบางทีธรรมมรมบางอย่างก็เป็นรูปขันธ์ความนึกคิดก็เป็นวิญญาณขันธ์ภาษะก็เป็นสังขารขันธ์เวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์เพราะทุกครั้งที่เราคิดขนานั้นเป็นขันธ์หประชุมขันธ์ขันห้าที่ประชุมกันนั่นแหละเป็นเป็นอะไรเป็นตัวทุกข์สัตว์จะเป็นชาติชาราแล้ว มรณะเป็นต้นท่านพวกนี้เนี่ยนะชันทราคาในสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นสมุทยัยสัจจะการกําจัดชันทราคาในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นนิโรสัจจะข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเป็นมัคคสัจจะมั้นพระองค์ก็แสดงอะไรอริยสัจในทวารใจหรือว่าประกาศอริยสัจในทวารตาประกาศอริยสัจในทวารหูประกาศอริยสัจในทวารจมูก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 ธาตุปฏิจจสมุปบาทอริยสัจในทวารลิ้นขันอายตนะธาตุสัจจปฏิจจสมุปบาทในทวารกายขันอายตนะธาตุสัจจปฏิจจสมุปบาทในทวารทวารใจเนี่ยนะก็ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ มันก็ผู้ที่มณสิการปฏิบัติแทงตลอดอริยสัจในทวาวรตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะอย่าลืมมาทุกขพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อการกําหนดรอบรู้สมุทัยแสดงเพื่อการละนิโรธแสดงเพื่อการทำให้แจ้งอริยมรรคพระองค์แสดงเพื่อการเจริญเนี่ยนะแสดงอริยสัจ4ดังกล่าวแล้วก็ทุกข aryas ัจแสดงโดยความเป็นขันอายตนะธาตุนั่นแหละคือทุกขสัจจะสมุทยัยสัจจะก็แสดงโดย ปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปัจจัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นปัจจยุบันเป็นต้น น, นะนะว่าแสดงโดยปฏิจจสมุปบาทข้อปฏิบัติที่ไปกําหนดรอบรู้กองทุกขละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งอ น, นั้นเป็นมัคสัตจะเนี่ยนะเป็นการแสดงขันอายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทอริยสัตว์ในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเบื้องต้นเป็นการกําหนดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเรียกว่าปฐวีธาต ปิตังเสมหางปุโพโลโหิตตังร ว, ว่าน้ำดีน้ำเลือดน้ำน้องเป็นต้นนายอาโปธาแสดงธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นแล้วก็แสดงลมพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องล่างระ ว, วัสดงธาตุสี่เป็นขันห้าเนี่ยนะแสดงธาตุสเพราะธาตุสี่เป็นเหตุให้เกิดรูปประขันธาตุสี่เป็นเหตุให้เกิ ด, กดตาหูจมูกลิ้นกายกายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งนามขันทั้งหลายขันเหล่านี้นี่แหละที่สืบเนื่องสืบประชมกันเรียกว่า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 อริยสัจการแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นเป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกเนี่ยนะเพราะเนื้อหาออที่กล่าวมาโดยสรุปข้อความในมหาหัตถปโทปมสูตรก็มีปริมาณเท่านี้เนี่ยนะเ พ, พราะภาษาริบุตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศอริยสัจเพื่อการตรัสรูธธร้ทำใดบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้ฟังก็จงเป็นปัจจัยให้ได้กำหนดรอบรู้ในกองทุกขละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้ง ฉันนั้นด้วยเธอนะ่นะขอให้ทุกท่านได้กำหนดรู้ขันอายตนะธาตุปฏิจจสมุปาทและอริยสัจในทวารหูทวารตาหูจมกูกลิ้นก า, ายใจโดยทั่วกันนะ่นะมันก็ขอจงเป็นปัจจัยเพื่อถึงความพ้นทุกพ้นทุ ก, ทกตรัสรู้ทำเป็นที่ดับทุกสงบทุกทั้งปวงตามพระพุทธเจ้าด้วยเธอนะ่ยนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้